ทีนี้ฝ่ายเทพบุตรมานขึ้นช้างค่าศึกขึ้นช้างศึกมาเลยช้างที่ประดับด้วยรัตนะชื่อว่าคิริเมฆละงามหน้าดูอย่างยิ่งเสมือนยอดหิมะคิรีขนาด150โยอดเนรมิตแขนพันแขนจับอาวุธต่างๆด้วยอาการจับที่ยังไม่ได้จับคือคือแต่ละอย่างเหมือนกันลอยมาเองติดตามตัวมาหมดเลยแม้บริษัทของมานก็มีกาลังถือดาบธนูศอนหอก ยกธนูสากผานเหล็กแหลมหอกเลาว น, นะไม่ว่าจะเป็นค้อนกำไลมือฉมวกกงจักเครื่องสวมคอของมีคม น, นะของที่มีหน้าเหมือนกวางราชสีแรศกวางหมูเสือกระทิงงูแมวนกฮูกแล้วก็มีหน้าเหมือนควายฝานมา้าช้างพลายเป็นต้นมีกายต่างๆหน้ากลัวหน้าประหลาดหน้าเกลียดมีกายเสมือนมนุษย์ยักษ์ปีศาจ ท่วมทับ พ, พระโพธิสัตว์เนี่ยนะผู้ประทับนั่งนโคลนโรพพึกเดินห้อมล้อมยืนมองดูการสำแดงของมารจากนั้นเมื่อกองกำลังของมารเข้าไปยังโพที่มันทสถานเทพเหล่านั้นมีเท้าส ก, กะเป็นต้นเทพแม้แต่องค์หนึ่งก็ไม่อาจจะยืนอยู่ได้เนี่ยนะ <S <S ฝ่ายกองเชียร์นี้หายหมดเลยคนนี้นะฝ่ายพวกมาอวยชัยให้พรพวกมาชื่นชมอานุโมทนาในกลัวเลยนะมารมานี่กลัวกันหมดนีไปหมดเลย เทพทั้งหลายก็พากันนี้ไปต่อหน้านะ่ะกระบวนหนี้ไปซึ่งซึ่งหน้าเลยนะไอ้ทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เหรออย่างนั้นทิ้งพวกทิ้งฟองไว้ง่ายๆอย่างเงี้ยท้าสา ก, กาก็ทําวิชุตระสั่งที่ปริสดางทําเอาไว้ข้างหลังอ่ะนะแอบโน่นไปอยู่ขอบจักรวาลโน่นอ่ะ <c oughs> ท้ามหาพรหมวางฉัดไว้ที่ปลายจักรวาลแล้วก็กลับไปพรห ม, มโลกก็ได้อย่างนั้นนะนะ <c oughs> กลับบ้านเก่าดีกว่าย่างี้นะ <c oughs> กาลนาคขราศก็ทิ้งนางนาคนักฟอนเนี่นะพรตอนไปพาบริวารไป8ปดหมืนเอาไว้เธอตามตังของเธอแล้วกัน ไปตามทางแล้นกลับบ้านนอนได้ไดแล้วก็มุดดินไปยังพบมันเชริกะหน้าพิภพบบลึกเข้าไปข้าร้อยโยต์นอนเอามือปิดหน้ากลัวมากกลัวมากงานนี่แย่แน่นะพยายามมาขนาดนี้พระมารนี่ก็คือเขาใหญ่จริงๆนะในบรรดาผู้ใหญ่ที่สุดเนี่ยเรียกว่าควบคุมทั้งกาลมาโลกและพรหมบางส่วนเนี่ยก็คือเขาทั้งหมดเนี่ยนั่นเขาใหญ่มากก็เลยกลัวมากก็เลยมุดนี้เลยแม้แต่เทวดาศัก์องค์เดียวที่สามารถยืนอยู่ที่นั้น ก็ไม่มีพระมหาบุรุษก็นั่งอยู่แต่ลําพังแม้ถ้าใจเรามจะทํำยังไงนะเทวดาก็ยังหนีไปหมดเลยนะตกใจไหมเนาะท่านก็เหมือนไม่มีอะไรอ่นะเหมือนมหาพรหมอยู่ในวิมานว่างเปล่านิมิตร้ายที่ไม่น่าปรารถนาเป็นอันมากปรากฏทีเดียวคือหมายคือว่าลางร้ายทั้งหมดเนี่เข้ามาหมดเลยก็เรียกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าคนนี่กําลังใจไม่ดีจริงๆน่ยนะ ถ้ากําลังใจไม่เท่ากับพระโพธิสัตว์แล้วก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มาต่อต้านนี่มันรุนแรงมากนิมิตลางร้ายทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอะไรก็ได้ที่มันเลวร้ายทั้งหมดเนี่ยมาหมดเลยเหมือนกันกล่าวเป็นคาถาว่าเมื่อเวลาการยึดของพญามารและของพระผู้เผ่าพันธุ์แห่งไตรโลกดําเนินไปโยกอุ ก, กาบาทอันร้ายกาจก็ตกลงโดยรอบทิศ ท, ทั้งหลายก็มืดคลุมไปด้วยควันนะนิมิตอันนี้ก็ถือว่าลางร้ายสุดๆแล้วนะ แผ่นดินนี้ไม่มีใจก็เหมือนมีใจถึงความพลัดพรากเหมือนหญิงสาวพลัดจากสามีแผ่นดินที่ทรงสะต่างๆพร้อมทั้งสาครก็หวัน่นไหวเหมือนถาวนต้องลมเรียกว่าต้องลมที่พัดแรงมหาสมุทรก็มีน้ำปั่นป่วนแม่น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสลำต้นไม้ต่างๆก็คดงอแตกติดดินแห่งภูผาทั้งหลาย ลมร้ายก็พัดไปรอบๆเสียงอึกกระทึกครึกโครมความมืดที่ปราศจากดวงอาทิตย์แล้วก็ที่เลวร้ายกว่า น, นั้นก็คือตัวกระพันก็ท่องไปในอากาศตัวกระพันคืออะไรก็คือไม่มีหัวหน้าตาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท้องเนนะหัวไม่มีหัวเนี่ยไปแปะอะไรแปะอยู่ที่ท้องแล้วก็พวกตัวกระพั์ก็คือพวกสัตว์ประหลาดทั้งหลายพวกคล้ายๆมนุษย์ต่างดาวอะไรที่ที่วาดกันนั่นแหละพิลุกกึ่ืออะไรทั้งหลายแหละนะั่นนะ เล่ากันมาว่าลางร้ายอันพิลึกดังกล่าวไม่น่าเจริญใจไม่น่าปรารถนาะทั้งที่อยู่ในอากาศทั้งที่อยู่บนภาคพื้นดินเป็นอันมากก็มีโดยรอบขณะที่มานมาเรียกว่า โ, โหส่งลางร้ายทุกชนิดมาเลยเนี่ยนะฝันใครที่เชื่อเรื่องโชคเรื่องลางเนี่ยเพ่นหนีหมดเลยว่าโ้ยนี่มันลางสุดๆแล้วเลวร้ายที่สุด ส่วนพวกหมู่เทพทั้งหลายเห็นมารประสงค์มาจะมาประหารพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเทพแห่งเทพนั้นก็เอ็นดูพร้อมด้วยหมู่เทพก็ทําเสียงกันว่าฮ่างานนี่แย่แน่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะแย่แน่พวกเรายังพอได้มุดหนีเลยห่อนี้เลยอะนะหายตัวแวบโน่นอ่ะไปเอีงๆเขาจั ก, กรวาลแอบบแอบบดูซิถึงไหนแล้วไงนะแม้ภายหลังก็เห็นมานั้นพร้อมทั้งกองกําลังเป็นอันมากที่ฝึกมาดีแล้วพากันนี้ไปในทิศน้อยทิศใหญ่ อาวุธในมือก็ตกไปนะพวกแบบองค์ครพิทักษ์กพระโพธิสัตว์เนี่ยนะทิ้งอาวุธไว้แถวนั้นให้มารหมดเลยเ น, นะนี่ยนะหนีเอาแต่ตัวรอดไปฝ่ายพระผู้มียศยิ่งใหญ่พวกผู้กล้าปราศจากภัยแปลว่าท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยไม่ได้นั่งไม่ตกใจนะจิตใจก็องค์อาจสง่าผ่าเผยเหมือนเดิมประทับนั่งอยู่ท่ามกลางกองกําลังของมารเหมือนพญาครุดอยู่ท่ามกลางหมู่วิหกเรียกว่านกนกที่ใหญ่ที่สุดก็คือนกครุดนั่นเองนะ มันครุดเห็นพวกนกอะไรนะพวกเห็นนกอะไรอีกาหรือเห็นนกแบบนกอะไรนะนกที่ให้อาหารนกพิราบนกอะไรธรรมดาเนี่ยครุดจะกลัวไหมไม่กลัวเหมือนราชสีห์ผู้ยิ่งยงอยู่ท่ามกลางฝูงกว้างฉะนั้นนไม่ได้ตกใจกลัวกวางอะไรเลยทีนี้มานก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะต้องยังพระสิท ธ, ธิ์าให้กลัวแล้วก็หนีไปแต่ไม่อาจให้พระโพ ธ, ธิสัตว์หนีไปด้วย ฤทธิ์ของพญามาร9ก้าอย่างเลยทำยังไงก่อนบอกพออกว่าให้ลมแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้ให้ฝนให้ก้อนหินเครื่องประหารฐานไ ฟ, ไฟไฟนรกซายโครนและความมืดด้วยใจที่ขึ้งโกรธบังคับหมูมานว่าพนาย <c oughs> คือคือตัวเองเนี่ยทำทุกอย่างแล้วพระโพธิสัตว์ก็นั่งเหมือนเดิมเนี่ยนะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกพนายยุดยุยยังงั้น เจ้าจงทำํำศีรษะไม่ให้เป็นศีรษะจงจับจงฆ่าจงตัดจงมัดอย่าปล่อยจงให้หนีไปส่วนตัวเองทําไงก็นั่งเหนื อ, อคอคชสารชื่อว่าคีรีเมฆละใช้กอนข้างหนึ่งกวัดแกว่งลูกศรก็คู่ๆไปไงั้นนะ่ะนะเข้าไปหาพระโพธิสัตว์กล่าวว่าศีรษะท่านจงลุกขึ้นจับบัลลังก์ทั้งหมู่มารก็ทําความบีบขั้นร้ายแรงยิ่งแกพระโพธิสัตว์ประท้วงเลยนะเสียงอึกกระทึกคลุ้มหนีไปหนีไปบัลลังก์นี้เป็นของพญามารไม่ใช่ของพระโพธิสัตว์งี้ยนะ ครั้งนั้นพระมหาบุรุษก็ตรัสคาเป็นต้นว่าดูก่อนมาท่านบำเพนบารมีมาเพื่อบาลังนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านบำเพญบารมีมาเพื่อโพธิบรลังนี้หรื อ, อนะแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระหัดขวาสู่แผ่นดินขณะนั้นนั่นเองลมและน้ำที่รองแผ่นดินซึ่งหนาหนึ่งล้าน2 0นสพยดก็ไว้ก่อนต่อจากนั้นมหาปฏาปีซึ่งหนา 240,000 โมนยดก็ไว้อีก6ครั้ง สายฟ้าแลบและอัศนีบาตเนี่ยนะหลายพันเบื้องบนอากาศก็ผ่าตกลงมาคือตอนนั้นเนี่ยก็มีว่า เ, าเขาถกเถียงกันว่าพยามานเ้าต้องการบาลังมากพระโพธิสัตว์บอกว่าท่านสร้างบารมีมาเพื่อโพธิบาลังหรือบอกใช่มานก็บอกใช่และใครเป็นพยามท่านก็นี่ไงพวกบริวารใช่ใช่พยามานก็เชียร์กันเกลียวบอกว่าเนี่ยบาลังเนี่ยควรแก่พยามานพระโพธิสัตว์บอกไม่บาลังนี้ควรแก่เรา พราะเราเนี่ยสร้างบารมีมามานก็บอกแล้วใครเป็นพยานท่านน่ะนี่ก็บอกว่าพยานอื่นๆจงยกไว้เนี่ยนะบอกเมื่อเราที่เราเนี่ยนะเฉพาะชาติที่เป็นพระเวสสันดรเราให้ทานแผ่นดินไว้อยู่7ครั้งเพราะฉะนั้นขอให้แผ่นดินเนี่ยเป็นพยานผมก้ามือชี้ลงไปที่แผ่นดินใช่ไหมน้ำํำลมก็ทําให้น้ําไหวเมื่อน้ําไหวแผ่นดินก็ไหวเมื่อแผ่นดินไหวเข้าเสียงฟ้าผ่าฟ้าแลบก็ตกลงมาจากอากาศ ช้างครีเมฆละก็คุกเขา่า น, นะช้างของพญา ม, มาเนี่ยกลัวมากเลยนะตกใจคุกเข่าลงเลยเรียกว่าซุดลงเลยมารที่นั่งอยู่บนคอคิรีเมฆละก็ตกลงมาแผ่นดินเหมืแม้พักพวกของมารก็กระจัดกระจายไปในทิศน้อยทิศใหญ่เหมือนกําแกลบที่กระจายไปฉะนั้นก็คือคาถาพาหงที่เร า, เามาสวดกันว่าพระองค์เนี่ยได้ชัยชนะต่อ พยามาณที่ขี่ช้างคริเมฆละเนพาหงษ์สหสมาพิณนมิตเนี่ยนะก็คือเนรมิตรแขนมาเป็นพันนี่แหละขี่พยาช้างคริเมฆละอันนะพระองค์ทรงชนะพยาพยามาณเหล่านั้นด้วยธรรมวิธีมีทานศีลเ น, เนคขมมะปัญญาวิริยะสัจจะพันติอธิษฐานเมตตาอุเบกขานี่อาศัยอ้างบรารมีมีทานเป็นต้นนั่นแหละก็เลยชนะพยามาณไปด้วยธรรมวิธีคือกล่าวปรารบถึงบรารมีครั้งนั้น พระมหาบุรุษเนี่ยนะก็บอกว่ามานี่หนีไปเหมือนอะไรเหมือนกำแกลบที่กระจายเคยจับแกลบเนี่ยนะแล้วก็โยนเข้าไปมันก็กระจัดกระจายไปหมดอ่ะแต่ตามเรื่องตามราไปครั้งนั้นแม้พระมหาบุรุษทรงกําจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารด้วยอนุภาพแห่งพระบารมีทั้งหลายของพระองค์มีขันติเมตตาวิริยะและปัญญาเป็นต้นหลังจากนั้นพระองค์ก็นั่งกําหนดอาณาปานสติระลึกถึง เจริญอนาปานสติจนได้ฌานที่สีเมื่อจิตเบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวะนะพระองค์ก็พิจารณาถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนระลึกชาติได้เป็นอันมาก1ชาติสองชาติ5ชาติ1ิบชาติร0อพันหมื่นแสนชาติะนะตลอดจนถึงสังวัตตกับวิวัตตกับหลายๆสังวัตตะกับวิวัตตกับระลึกถึงขันธ์ธาตุขันธ์ที่เคยอยู่ในการก่อนในชาตินั้นๆ น, น, นะ ว่ามีเชื่ออย่างไรมีโคตรอย่างไรมีผิวพันธุ์รูปร่างหน้าตาสวยสุกทุกอย่างไรบริโภคอาหารเช่นใดใช้ชีวิตอยู่ขนาดไหนจุติจากภพบนั้นแล้วไปเกิดที่ไหนเป็นต้นพระองค์ก็ระลึกชาติเหล่านั้นก็ประมาณสี่ชั่วโมงระลึกจนถึงประมาณสี่ทุ่มหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าฌานใหม่เข้าจตุทัชฌานแล้วก็เมื่อจิตเบาอ่อนกวรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ชำระที่ประจักษ์ขู่ญาตพิจารณา สัตว์ที่จุติและอุบัติผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะสัตว์ที่ได้ดีตกยากมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธุ์ซามเป็นต้นก็พิจารณาผึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเนี่ยนะพอพิจารณาเสร็จแล้วก็พิจารณาอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงอีกก็เข้าฌานใหม่เข้าฌานที่สี่แล้วก็ออกมาก็พิจารณาปฏิจจสมุปาฏิเนี่ยนะพิจารณาปัจจัยาการถึงชรามรณะมีชาติเป็น ปัจจัยชาติมีพบเป็นปัจจัยก็พิจารณาทั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะน ก, ก็พิจารณาถึงอะระฆามรณะอรามณรามณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธทัามิหนีปฏิปทาชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธทัก า, ามินีปฏิปทาก็พิจารณาจนถึงโสดาปฏิมร์เกิดขึ้นก็หลังจากนั้นก็โสดาปฏิผลปัจเวคขณะยานก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิโลมเพื่อ แทงตลอดสาก่ทาคามีมักเมื่อแทงตลอดสาก่าทาคีมักสาก่ทาคามีผลปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นก็พิจารณาปฏิจจสมุบาสพร้อมทั้งวิปัสนาเนี่ยนะเพื่อแทงตลอดอนาคามีมักหลังจากนั้นก็พิจารณาปฏิจจสมุบาทแล้วนะแล้วก็เห็นอริยสัจจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแทงตลอดพระพุทธคุณทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ปฏิบัติมา พร้อมกับแสงแห่งอรุณนั่นแหละพระองค์ก็เปล่งพระพุทธอุทานว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิพิสังขหาการังคขเวสันโตทุขาชาติปุณปุนังขหาการกะทิโศปุณะเคหังนกาิสัพพาเตภาสุกาภักกาขหกูตังวิสังขตังวิสังขารขตังจิตตังตันหาหนังขยมัชคา เราสแสวงหานายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาเรือนคือพบเรือนคือชาติเรือนคือการเวียนว่ายตายเกิดตัวช่างผู้จัดการตกแต่งก็คืออะไรก็คือตันหาเช่นว่าสร้างตาเนี่ยก็รูปปัตนหาสร้างตาสัตว์ท่าตันหาสร้างหูคันทตันหาสร้า ง, าางจมูกราสะตันหาอร่อยไหมครับบันสร้างลิ้นเนี่ยนะสัมผัสอากาศเย็ยนสบายก็สร้างกายคิดไปเรื่อยก็สร้าง ใจเนี่ยนะก็พบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากชาติ1สู่ชาติหนึ่งตันหาขยันสร้างจริงๆนะสีก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมรสอร่อยสัมผัสก็ดีคิดเรื่องอะไรก็ถูกใจไปหมดเลยจะไปไหนวัด ต, ตะเป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวนะอยู่อีกนาเนี่ยนะตันหาก็สร้างเอาสร้างเอาพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยแสวงหาสแสวงหาตันหาไม่ใช่สแสวงหาแบบทําความรู้จักนะเออเราจะชอบอะไรได้บ้างไม่ใช่แบบนั้น หมายคําว่าสแสวงหาด้วยมักคยานสแสวงหามาต้องพบตัญหาด้วยมักคยาณ น, นะจึงจะสิ้นตันหาเพราะฉะนั้นสแสวงหาเพื่อให้ได้มักคยานเพื่อที่จะเห็นตัญหาด้วยอริยมรรคธรรมสมุดเฉตประหารเนี่ยเมื่อหาไม่พบก็ต้องท่องเ ท, ที่ยวท่องเที่ยวก็คือสังสาระเนี่ยนะเวียนว่ายตายเกิดขันแล้วขันเล่าธาตุแล้วธาตุเล่าอายตนะแล้วอายตนะเล่า ตลอดชาติเป็นอันมากเนี่ยนะลำดับขันธ์ธาตุอายตนะสืบเนื่องไปไหลไปเรียกว่าตายชาติแล้วชาติเล่าเวียนว่ายตายเกิดมานานขนาดไหนไม่รู้่านานเพราะน้ําตาที่ซึมซึมเพราะเสียใจเนี่ยนะร้องให้มั่งเสียใจมั่งน้ําตาซึมเนี่ยนะน้ำตาไหลมากก็บอกว่าแค่ร้องให้เพราะแม่ตายนะอย่างเดียวนี่ก็น้ําเท่าน้ําทะเลแล้วทะเลมหาสมุทรนะ แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยร้องให้พระพ่อตายอย่างเดียวก็น้ําตาเท่าทะเลร้องให้พระพี่ตายก็น้ําตาเท่ากับน้ําทะเลน้องตายก็ร้องน้ําตาเท่ากับน้ําทะเลลูกตายก็น้ําตาลูกชายอย่างเดียวนะน้ำตาเท่ากับน้ําทะเลลูกสาวตายน้ําตามากกว่าน้ําทะเลเนี่ยนะเป็นต้นแล้วก็เสียเลือดเสียเงือถูกเข็นถูกฆ่าน้ําเลือดที่เสียไปก็มากกว่าน้ําทะเลเนี่ยนะแล้วก็อะไรน้ํานมที่เธอทั้งหลายดื่มกินก็มากกว่า น้ำทะเลไม่ต้องพูดถึงน้ำเงือเนี่ยนะที่เสียเงือวันละหลายหลายหยดเนี่ยนะมันจะขนาดไหนเนาะว่ า, า, ยายทะเลเลยแหละเพราะฉะนั้นการเกิดบ่อยๆเนี่ยมันทุกข์จริงๆเลยนะทุกข์ขนาดไหนก็นน้ำตามากกับ น, น้ำทะเลก็แล้วกันเสียเลือดมากกับ น, น้ำทะเลตกนรกกี่ทเท่าไรแล้วนะทนความร้อนในไฟนรกมรุกมา ก, กี่หมื่นองศามาแล้วเหมือนกันพะะนันการเกิดบ่อยๆเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในว่าตานี่มันเป็นทุกข์ ดูก่อนนายช่างผู้สร้างเรือนคือตันหาบัดนี้เราพบท่านด้วยมัรคยานแล้วท่านจากสร้างเรือนให้แกเราไม่ได้อีกต่อไปน ะ, นะเพราะจะไม่มีอารมณ์ใดจะเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิอีกต่อไปเัราโครงเรือนของท่านคือกรรมเนี่ยเราหักกรรมหมดแล้วย่อเรือนคือวิชามไม่รู้ในฐานะแปดเราก็รื้อเสียแล้วจิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานธรรมที่ดับสังขาร เป็นธรรมที่ดับธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเสร็จแล้วบัดนี้เราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาคืออรหัตผลแล้วนะก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อพระองค์ประทับนั่งเปล่งพระพุทธอุทานพระองค์ก็ดมฤติว่าเราเนี่ยนะท่องเที่ยวมาสี่อสงไขยกาไรแสนกับก็เพราะเหตุแห่งโพี่บัลลังนี้ น, น, นะนะเวียนไหวาตายเกิดพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่า ก็มาเพื่อเพื่ออะไรมาเพื่อโพธิบาลังนี้นะเพื่อโพธิบาลังนะหรือบาลังวิชัยบาลังบาลังแห่งชัยชนะที่นั่งแห่งความชัยชนะหรือมงคลบาลังบาลังอันเป็นมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญสูงสุดเจริญถึงถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิชัยบาลังบาลังแห่งชัยชนะมงคลบาลังบาลังแห่งความเจริญทั้งปวงบัดนี้เรานั่งเหนือบาลังนี้ ความดําเร็จของเรายัางไม่บริบูรณ์ตราบใดเราก็จะไม่ลุกขึ้นตราบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าไม่สมความปรารถนาคิดว่าจะไม่ลุกแล้วหลังจานั้นพระองค์ก็เข้าสมาบัตินับได้หลายแสนโกดสมาบัติเข้าสมาบัติมากเท่ากับตอนที่ปรินิพานเนี่ยก่อนจะปรินิพานพระองค์ก็เข้าสมาบัติมากเหมือนกับแรกตรัสรู้ประทับนั่งเนื้อโพที่บัลังเข้าสมาบัติหลายแสนโกดนั้นใช้เวลาเจวัน ก็คือว่าจใครจะมีความคิดไวเท่ากับพระพุทธเจ้าไม่มีแล้วเนี่ยนะขนาดนั้นเข้าสมาบัติได้มากมายอย่างที่กล่าวไว้ว่าสมัยนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งสเสวยวิมุตติสุขโดยบาลังเดียวตลอด7วันคืนของวันที่7เนี่ยนะคืนของวันที่7พระโพธิสัตว์ก็พระพุทธเจ้าก็นั่งโพธิบาลังคืนที่7นั้นเพราะพิจารณาปฏิจจสมบาทโดยอนุโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีก็แปลงพุทธอุทาน มัชชิมยามแห่งราตรีพระองค์ก็แป่งพระพุทธอุทานปัชชิมยามแห่งราตรีพระองค์ก็แป่งอุทานเนีย่ยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเทวดาบางพวกก็เกิดความคิดขึ้นว่าวันนี้พระสิท ธ, ธะยังมีกิจที่ต้องทําเป็นแน่เนื่อว่าต้องมีกิจ16กิจในการรู้เห็นอริยสัจกิจในการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้ายังมีแน่พระองค์จึงไม่ทรงละ ความอะไราในพระบัลลังก์แสดงว่าจะต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนแหละที่ยังไม่รู้จริงอ่ะนะก็เลยยังหวงเหลือเกินในบัลลังก์อันนี้เหมือนกันครั้งนั้นพระองค์ทรงทราบความปริวิตตกของเทวดาทั้งหลายก็เหาะขึ้นสู่เวหาแสดงยมกะปาติหารเพื่อระงับความวิตกของเทวดาเหล่านั้นก็แสดงยมกกะปาติหารซึ่งเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นบนอากาศ เพื่อระ ง, งับความสงสัยความปริวิต ก, กความคิดไปเรื่อยของเทวดาหลังจากนั้นพระองค์ก็ไปยืนอยู่ณนะทิศส่วนอุดร อ, อิงทิศประจีนก็แปลว่าทิศอีสานจากโพธิที่บาลังตะวันออกเชียงเหนือนะมันเวลาเราเข้าไปจะอยู่ขวามือนิดหนึ่งนะจากโพธิบาลังนั้นพระองค์ก็ยืนคิดดำริว่าเราเนี่ยนะแทงตลอดพระสัพพัญญุตยานณนะบลังนี้หนอ พระองค์ก็ทรงสำรวจดูบัลังก์และโผพฤกอันเป็นสถานที่ทรงบรรลุผลแห่งพระบารมีทั้งหลายที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาตลอดสอสงไขยแสนกับด้วยดวงพระเนตรที่ไม่กระพลิบยับยั้งอยู่ตรงนั้น7วันสถานที่ตรงนั้นก็ชื่อว่าอา น, นิมิสเจดีนะก็ประทับยืนรำลึกถึงคุณของสถานที่ตรงนั้นว่าสถานที่ตรงนี้ทาให้เราสมความปรารถนาเนาะ นี่ยนะคือถ้าไม่มีสถานที่ตรงนี้เนี่ยนะสิ่งที่เรากระทามาตลอดระยะเวลาสีอาศงไขแสนกับจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้หรือก็ระลึกถึงคุณปรารถบเห็นด้วยแล้วก็ระลึกถึงพระปุพพเจริยาคุณของพระองค์ด้วยปรารถบถึงพระพุทธคุณด้วยไม่ใช่ว่ามองดูแล้วก็ทําตาใสแป๊วแบบรูปถ่ายนะไม่ใช่ท่านโง่แบบนั้นหรอกนะท่านคิดมากนะภายใน7วันเนี่ยท่านใครควญพิจารณาอย่างละเอียดรอบข้อ ไข้ใใ ค, รครวญตลอด7วันสถานที่ตรงนั้นก็เรียกว่าอนิมิสเจดีหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จจงกรม เ, เสด็จเนรมิตที่จงกรมระหว่างโพที่บัลลังกับสถานที่ประทับยืนเสด็จจงกรมอยู่ณรัตนะจงกรมเดินกลับไปข้างหน้ากลับไปข้างหลังกลับไปกลับมาเนี่ยกนะ็ห่างไกลนะเกือบเกือบร้อยเมตรนี่ยแหละจากจากอนิมิสเจดีไปหาโพที่บัลลังเนี่ยเกือบ100ร้อยเมตรนะไกลพอสมควรเลยนะ แต่ถ้าถ <ide> ้าเดินเนี่ยนะถ้าถ้าเดินกลับไปกลับมาพื้นที่สักแค่สามสี่เมตรเนี่ยเมาหัวตายเหมืองกันเมาหัวภาษาเหนือถ้าภาคเราเขาเรียกวิ่งเขาเรียกวิ่งศีรษะตายเลยเหมาอนกันนะหน้าทิ่มหน้าคว่ำแน่เหมือนกันแต่นี้เดินไกลนะเดินเป็นร้อยเมตรกลับไปกลับมากลับมากลับไปก็เลยไม่เวียนศีรษะเหมือนกันผมก็เดินกลับไปอยู่นั่นแหละสถานที่ตรงนั้นถามว่าเดินอะไรก็เดินพิจารณาธรรมะนั่นแหละเจดวันเนี่ยนะ เดินพิจารณาธรรมทั้งหลายเจ็ดวันทีนี้สัปดาห์ที่4เทวดาทั้งหลายก็เนรมิตรัตนคระคือเรือนแก้วณนะทิศพายัพแห่งโรพพฤกทิพายัพก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะอยู่ตะวันตกเฉียงเหนือนะก็คือท่าทิศตะวันตกก็จะเป็นตรงบริเวณของอที่เราไปฟังธรรมกันนะที่เราไปสวดมนต์ที่ตรงเจดีของพุทธโคสาจารย์ก็หันไปทางถ้าเรานั่งหั น, นไปหาต้นโพก็อยู่ซ้ายมือ อยู่ซ้ายมือก็เรียกว่าทิศพายับก็คือตะวันตกเฉียงเหนือนะตะวันตกเฉียงเหนือพระองค์ก็นั่งพิจารณาพิจารณาอะไรเลือกเฟ้นพิจารณาอภิธรรมปีดกยับยั้งอยู่7วันณสถานที่ตรงนั้นแหละที่มีพระพุทธรังสีหรือพระสัพพันพระฉับพันนรังสีรังสีหประการก็เกิดขึ้นแก่ พระองค์ตอนที่พิจารณาสมันตะปัฏฐานหรือพิจารณาปัจจัยนะหลังจากที่พระองค์ยับยั้งอยู่สสัปดาห์ใกล้ต้นโรพพฤกอย่างนี้แล้วสัปดาห์ที่5ก็เสด็จจากโคนต้นโรพพฤกไปยังต้นอชาปาลนิโครธนะนัต้นต้นต้นทรที่พวกเด็กเลี้ยงแพะไปพักกันเนี่ยนะหรือคนเลี้ยงแพะไปพักกันพระองค์ก็ประทับนั่งเลือกเฟ้นธรทำสวยวิมุตติสุขอยู่ณนะต้นอชาปาลนิโครธนั้น หลังจากนั้นหลังจากที่พระศาสดายับยั้งอยู่ณโคนต้นอชาปาละนิโครตนั้น7วันแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังโคนต้นมุตเจลินต้นมุเจลินหรือเรียวกว่าต้นจิกนะนะที่นั้นพญา น, นาคชื่อว่ามุดเจลินก็เอาขนดเจชั้นวงไว้รอบเพื่อป้องกันความหนาวเป็นต้นเมื่อเกิดฝนตกพรมเจ7วันอันนี้เป็นธรรมดาหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ จะต้องมีฝนอย่างนี้ตกในหมื่นจักรวาลอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะพญาม ะ, ะพญานาคก็เลยมาสร้างวงขนดที่จริงก็จะเนรมิตเป็นเรือนพักเป็นอะไรก็ได้กลัวไม่ได้บุญมากก็เลยต้องอาศัยเนรมิตตัวเองนะได้อย่างเต็มที่พระองค์ก็ประทับนั่งณนะตรงนั้นเนี่ยนะเหมือนอย่างประทับในภระคันตุกุตีอยู่ในสถานที่ที่ไม่คับแคบอยู่ที่ต้นมุดเจริญนั้นอีก7วันในการพิจารณาธรรมะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เข้าไปยังต้นราชายาตนะต้นราชายาตนะประทับนั่งสวยวิมุตติสุขณนะที่นั้นอีก7วันเนี่ยนะก็พิจารณาธรำด้วยสวยวิมุตติสุขอยู่ด้วยอีกเวันครบ7็สัปดาห์บริบูรณ์ด้วยประการชนี้เรียกว่าสัตตะสัตทะมหาสถานก็คือสถานที่7แห่งหรือแล้วก็ประทับแห่งละสัปดาห์แห่งละ7วันเนี่ยนะทั้งหมดบริเวณใต้ไม่ไกลาจากต้นโพประมาณ 49วันนะนะสีวันเนี่ยเสวยวิมุตติสุขอย่างเดียวด้วยเสวยวิมุตติสุขอยู่อย่างสุขสบายเนี่ยนะแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้พระพุทธคุณพุทธญานทั้งหลายเนี่ยใช้เต็มที่เรียกว่าทดลองใช้อะไรนะใช้พยานอย่างเต็มที่นะเรียกว่าเพียบพร้อมด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายมีอรหันตคุณเป็นต้นในระหว่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีการบ้วนพระอก พระโอษฐ์ไม่มีการปฏิบัติสรีรกิจแปลว่าไม่ระหว่างนี้ไม่มีการอุจาระปัสสาวะใดๆทั้งนั้นไม่มีการอาบน้ําการส่งน้ําการทําอะไรอย่างอื่นไม่มีไม่มีการเสวยพระกัญาหารทรงยับยั้งอยู่ด้วยสุขในพร ะ, ะสมาบัติอย่างเดียวนนะเข้าจตุทัชานอรหัตตผลสมาบัติซะโดยมากครั้งนั้นภาษาสดาทรงชําระพระโอษฐ์ด้วยไม้ชําระฟันที่ชื่อว่านาคละดา ใครเอามาถวายบอกเทา้าสั ก, กะน้อมเอามาถวายแล้วก็ไปส่งน้ําที่สระน้ําอนุดัดนะเสร็จแล้วในวันที่วันที่49วันสุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าถวายสมอด้วยนะถวายผลสมอให้พระองค์ขับถ่ายด้วยอะไรด้วยพระองค์ก็และพระองค์ก็ประทับนั่งอยู่ณนะต้นราชา ย, ยตระนั่นแลสมัยนั้นพาณิชคือพ่อค้าสองคนชื่อว่าตะปุษะและพลิกะ อันเทวดาผู้เป็นญาติสาโลเหิตให้ขมักค ำ, คำม่นในอันถวายอาหารแด่พระศาสดาก็ถือข้าวสัตว์ถุผงและข้าวสัตต์ก้อนเข้าไปเฝ้าพระศาสดายืนกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าอาศัยความกรุณาโปรดทรงรับอาหารนี้ด้วยเพราะเหตุที่บาปที่เทวดาทั้งหลายถวายครั้งที่รับข้าวมาุป่ายาตอันตรทานไปบาป ท, ที่ที่คติการะพรมถวายเนี่ยนะตอนที่ฉัน ข้าวมะทูกายาบบาศเหล่านั้นหายไปเลยเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ดมฤริว่าตถาคตทั้งหลายเนี่ยไม่รับอาหารด้วยมือเปล่าเราจะเพลิงรับอาหารนี้ได้อย่างไรถ้ามหาราชก็มาจาก4ทิศทั้ง4องค์มาจาก4ี่ทิศรู้อัธยาสัยของพระพุทธเจ้าก็น้อมบาศอันนั้นสีบาศสำเร็จด้วยแก้วมณีและแก้วมรกตเอามาถวายพระองค์ก็ไม่รับบาศ ท, ที่ทํามาจากแก้วมณีหรือแก้วมรกตในที่สุดท้าจะตุ่มหาราชก็น้อมเอาบาศ สำเร็จด้วยศิลาบาดหินเนี่ยนะฮะบาดหินมาถวายสีเหมือนสีถั่วเขียวพระองค์ก็อาศัยความกรุณาในเทวดาสีองค์นั้นก็รับแล้วก็ยุบรวมเป็นบาดเดียวกันก็เรียกว่ายุบอธิษฐานบาดเนี่ยนะอธิษฐานบาด ท, ทั้ง4ี่ใบให้เป็นใบเดียวบาดหินไม่ทราบ ว, ว่าสีใบยยจะหนักหรือเปล่าไม่ทราบนะปกติแล้วบาดหินไม่ใช่เบานะ แล้วผมก็ยุบเป็นรวมเป็นบาทใบเดียวสําเร็จด้วยศิลามีค่ามากสเสวยเสร็จแล้วก็อนุโมทนาพ่อค้าทั้งสองพี่น้องนั้นก็ถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมว่าเป็นสารณะก็เรียกว่าทเววาจิกาอุบาสกอุบาสกที่กล่าวอ้างถึงพระพุทธกับพระธรรมเป็นคู่แรกของลูกหลังจากนั้นเนี่ยนะอุบาสกสองท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะระลึกถึงพระพุทธเจ้า คล้ายๆกับว่าขออะไรนะขอของที่ระลึกจากพระพุทธเจ้าด้วยนะที่ระลึกเป็นที่กราบไหว้บูชาพระองค์ก็เลยประมูลพระเศียรพระเกศาก็ติดมาแปดแปดเส้นก็เลยพระพุทธประธานให้ไปเขาก็ดีใจมากก็มาสร้างเอาไว้ก็เชื่อกันว่าพ่อค้าสองท่านนี่คือตปุษกาตาภริกานี่เป็นชาวมอนนะเป็นชาวมอนก็เลยเอามาสร้างไว้ที่ ที่เนี่ยเจดีชเวดากองชเวลากองนั้นตอนแรกเริ่มเลยนั้นไม่ใช่ของชนพมา่าแต่เป็นของชาวมอนตอนหลังพมา่ายึดมอนเข้าก็กลายเป็นของพม่าไปเนี่ยนะเป็นของชาวมอนมันก็เลยเรียกว่าเป็นที่มาของเจดีชเวดากองนั่นเองเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นว่าตปุษสะพะลิกานั้นเป็นพวกค้าชาวมอนที่ไปค้าขายทางนน้นทางราชครืกทางนน่นถามว่าเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าเป็นไปได้เนี่ยเพราะว่าทาง จากพม่าหรือจากมอญไปไปอินเดียนั้นก็ถือว่าไม่ถึงกับไกลามากนักเนี่นะเส้นทางก็ไปกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนี้ก็มีบางพวกที่อยากจะไปพม่าอยากจะข้ามไปฟากะจะไปอินเดียพยายามต้องการจะข้ามไปฟากพม่าเนี่ยนะข้ามไปแต่ก็โดยมากไม่สําเร็จอาจจะไปในโลกของอะไรนะชาติใหม่เป็นสัมภเวสีไปแล้วอาจจะไปได้นะเพราะว่าตายตัง้งแต่ระหว่างทางแล้วนะ นี่ต่อมาอีกว่าพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปยังต้นอาชาปาลนิโครธอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประทับนั่งณนะต้นอาชาปาลนิโครธซึ่งเป็นต้นต้นเดียวกันที่พระองค์ประทับเมื่อสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่1เนี่ยโพธิบา ล, ลังสัปดาห์ที่2อนิมิสเจดีสัปดาห์ที่สามรัตนจงกรมสัปดาห์ที่4รัตนขระสัปดาห์ที่5อาชาปาระนิโครธสัปดาห์ที่6 ที่ต้นมุจจรินสัปดาห์ที่7ราชายตนะสัปดาห์ที่8ก็กลับมาที่ต้นอาชะปาลนิคโครธอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็นั่งพิจารณาธรรมะโดยเฉพาะอริยมรรยพจน์กับพระนิพพานที่พระองค์บรรลุนั้นนะมรรยพจน์นิพพานนั้นลุ่มลึกพระองค์ก็เกิดว่าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องพิจารณาเช่นนี้เนี่ยนะก็พระองค์ก็ถึง ไม่น้อมไปเพื่อแสดงธรรมเพราะว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วเนี่ยเป็นธรรมที่บรรลุได้ยากลุ่มลึกเพราะั้นเราเนี่ยทานเหล่าใดที่ไม่เคยให้เพื่อบรรลุธรรมนี้เนี่ยนะไม่มีศีลที่ไม่เคยรักษาเพื่อบรรลุธรรมนี้ไม่มีพาบเพนบารมีตลอดสี่อสงไขยแสนกลับมาก็เพื่อจะตรัสรู้ธรรมนี้แล้วก็หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ที่รกไปด้วยราคะโทสะโมหยินดีในอะไร ถ้าเราแสดงไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องก็เหนื่อยเราเปล่าว่างั้นเป็นความลำบากของเราเปล่าครั้งนั้นเท้าสัมบดีพรหมก็ดําเนินกันว่าโลกนี้ย่อยยับกันละท่านเอ้ยว่างนั้นะโลกนี้พินาฏแน่นอนโลกย่อยยับกันละท่านเอ้ยเสร็จแล้วก็ไปชวนเท้าสักกะเท้าสุยามเท้าสันดุสิตเท้านิมมานารดีเท้าปารนิมิตตวสวัสดีชวนพรหมอีกในหมื่นจักรวาลมายังสำนักของพระาศาสดาทูลอ้อนบอนให้พระองค์แสดงคำเป็นต้นว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงสแสดงธรรมซึ่งพระองค์ก็ อ, อาศัยความการุณาเป็นต้นก็พิจารณาตรวจตราดูสรัพรพสัตว์ทั้งหลายผู้ที่พอบันลุในที่สุดพระองค์ก็เห็นว่าผู้ที่ตรัสรู้ตามนั้นมีอยู่พระองค์ก็เลยประทานปฏิญญาณก็คือรับคำแก่เท้าสัมบดีพรนั่นแล้ว